หลังเราเกิดมาชาตินี้เราจะตายเพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นต่อไปนี้เราจะไม่มาตายซ้ำซ้ำักๆกตายทับถมกันอีกต่อไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานี่คือคําประกาศอย่างอาจหานของพระมหาเทระองค์หนึ่งนามหลวงตาพระมหาบวญาณสัมปันโนคําประกาศนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อโอ้อวดตน แต่เพื่อยืนยันคําตรัสของพระพุทธองค์เพื่อเป็นกําลังใจเป็นความหวังแก่ผู้ดําเนินตามคําสอนของพระพุทธองค์ว่ามรรคผลยังไม่สูญสิน้นเพราะองค์ท่านเองก็ได้มรรคผลนั้นมาครองใจด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เอาชีวิตเข้าแลกเราทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเอามาเทศแสดงไม่ได้มีหรือของจริงเอามาแสดงไม่ได้มีหรือธรรมะแบบเดียวกันอย่างเดียวกัน รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันและมาพูดอย่างเดียวกันเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกผิดที่ตรงไหนอวดที่ตรงไหนนี่คือคํากล่าวของหลวงตาก็เมื่อท่านเมตตาประกาศธร ร, รมะที่ประจักษ์แจ้งในใจที่เป็นธรรมธาตุอันบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเช่นนี้เราผู้อย่างมีวาสนาได้พบพระอรหรันตพุทธสาวกในยุคกึ่งพุทธกาลนี้จงเปิดใจน้อมรับความเป็นมงคลคือธรรมะที่ท่านได้พบแล้ว มาสู่ใจของเราที่ยังจมอยู่ในกองทุกข์และนําพาใจนั้นให้เป็นอิสระจากทุกทั้งปวงดังที่ท่านได้พาดําเนินเป็นแบบอย่างมาแล้วขออย่าทําใจให้เป็นใจที่อาภัพอับวาสนาไม่ยอมน้อมรับมงคล น, นั้นเข้าสู่ใจใจจึงมืดมนด้วยอํานาจของอวิชชาเพราะสมมานันจะทัศนังเอตัมมังคลรมุตตะมังการได้เห็นสมณะ เป็นมงคลอันสูงสุดลงชื่อดอกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมอ่านโดยโจโช